สาธะขะวะตอาราตตัสมมาสัมบทตัสาขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคแก้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลตรับได้โดยพระ เองเอป็สนา1สามสองท <c oughs> งดับทุกตรงกลางกะตะมันจะพิกขเวพิกสุกนิโรทคามินีปฏิปทาริยสัจจพิสุรังไลมก ทางเป็นเครื่องให้ความดับไม่เหลือแห่งทุกในอริยศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรเราอายะเมวะอริโยอาทังคิโกมะโค คือหนังอันประกอบด้วยองแปดอันประเสริฐนี้เองไสย ả, thi, th ăng, t, ừ, zam, ả, thi, ที่ทางองแปดคือสามาดิติสัมาสังกโปความเห็นชอบความดำริชอบ สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตวาจาชอบการงานชอบสมาอาชีโวสัมมาวาจาโมอาชีพชอบความเพียรชอบสมาสมิสมาสมาธิ ความราึกชอบความตั้งใจมั่นชอบอาตามาจะพิาเวสัมมาทิฏฐิมิสูทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเรายังโคพิาเวทุเขยานังบุกสูทั้งหลายความรู้ในทุก อาสามุทะเยญานังความรู้ในเหตุให้เกิดทุกขะนิโรธยานังความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกขะนิโรธขามินิยาปฏิปัฏายาณังความรู้ใน ทังเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกอันใดอายางวชาติพิาเวสัมมาทิฏิ นีเรียกว่าความเห็นชอบ ก, กตาตะมโมจะพิกาวเวสัมมาสังกัปปะพิสุทธังลายความดำริเป็นอย่างไรเราสังกับโพพิกสุทธังลายความดำริในาการออกจากการม อาบยาปาทาสังกัปโปความดํารีในการไม่พยายาทอาวิสิงหากัาปโปความดําริไม่เบียดเบียนอย่างวุจะติพิกเวสัมมาสังกัปโปนี่เรียกว่าความดํารีชอบ กัตมะจักเวสัมมาวาจาเบสุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรเรามูสาวาทาเวรมณีเบสุทั้งหลายการเวจักการคูเทศปิสุนัยวาจายเว การพูดส่อเสียดบา루สาญาวาจายเวรมณีการเวน้นจากการพูดคำหยาบสัมภะปราภาเวรมณีการเวน้นจากการพูดเผชิญอายังวุตชติพิคเวสัมมาวาจานิยเรียกว่า ชอบอาตาโมจะพิกาเวสัมมาคัมมันโตภิกุทั้งหลายทิงานชอบเป็นอย่างไรเราบานาติปาตาเวรมาณีภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์อาธินารานาเวร เว้นจากการดักสับกาเมสุวิชชาจาราเวรมานีการเว้นจากการประพฤติในกามอายังวจติพิคเวสัมมากัมมันโตนี่เรียกว่าการงานชอด พิกาเวสัมมาอาชิวับิกสูทั้งหลายเป็นอย่างไ ร, <บ>รเราอิดาพิกาเวอารียสาวกโกมพิกสูทั้งหลายอรียววะโอะในศาสนานี้มีช้าอาชิวังปหายะสัมมา อาชีวนะนาชีวิ ก, กรรมกาเปตีและการเลี้ยงชีพผีเสียส เ, เป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพชอบอายงวัตทิภิกขเวสัมมาอาชิโวนีว่าอาชีพชอบ กะจจามโจาพิขาเวสัมมาวายามโอภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรเราอีดาภิกาเวภิกขุมภิกุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้อนุปา น, านันบะเบกา สสาังขามนังอุปปัายฉันทังฉเนติวายะมติวิริยังอพระปฏิจิตังปะกันนติปะทหะทีย่อมรูกความพอใจย่อมพยยามย่อมปะรูปความเพียน ย่อมประคองตั้งจิตไว้เพื่อความให้บังเกิดขึ้นแห่งอาคุสลนธรรมทั้งหลายอันละมกที่ย่ำไม่บังเกิดขึ้นอุปานานังบาปกานังอาคุสรมมานธรรมนันตาปานายะฉันทางฉะ วายมะมทิวิริยังอาระปฏิจิตังขังหะทิปัทฐานทิย่อมปูุกความพอใจย่อมพยายามยอม่ยอมปราความเพียรย่อมประคองดัง้งจิตไว้เพื่อการได้เสียซึ่งอกุสนธรรมทัท้งหลาย อันรามกที่บางเกิดขึ้นแล้วอนุปันนานังคูสารางธรรมคูปาทายาชันธรงชาเนติวายะมกิวิริยังพระพาติจิตางพระปานาติปาทาหาติยอมผูกความพอใจยอมพยายาม ย่อมภาโรปาเวียนย่อมภาของดัง้งจิตไปเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิดขึ้นอุป น, น, นันตุสาร ทียาสัโมสัยปิโยภาวายวุระยภาวนายาปตุรียฉันังฉันติวายะมติวิริยาพระปิจิตังปะคณนติปะทาหิตยอมปลุกความพอใจยอมพยายาม ยอ่อมปารกปางเพียนย่อมป่าคองท้งจิตวิทเพื่ อ, อ, อความายั่งยืนความไม่เลื่อนเลื่อนความออกทางยิงขึ้นความไปคุณความเจริ ญ, ค ว, รญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่วังเกิดขึ้นแล้วอา วุตจติพิฆเวสัมมาวายาโมนี่เรียกว่าความยชอบกาตามาจติพิฆเวสัมมาสติวิสูทั้งหลายความชอบเป็นอย่างไรแล้วอิตาพิฆเวพิคุณวิสูทั้งหลาย ปสูนศาสนานีกายเยกายญาุภัสิเวหาดีเป็นผู้มีปกติวิจารณาเกายกายอยู่อาตมีสัมกจโญสติมากมความเพื่องเพื่อเาปากมีความรู้สึก ตัวทั่พร้อมมีสติวินัยโลเคธิชาตุอนาสังน้ำความพอใจและความไม่พใจในโลกเสียได้เปรตนาสุเวทนานุบัสสิเวหาตีเป็นผู้มีปกติวิจารณาเห็นเวทานา อาตาปิสัมภาลุสปิมามีความเพียรเครื่องเผาาปมีความู้สึกตัวเค่อพร้อมมีสติวินัยยารมเเคอภิชารณามนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ จิตใจจิตานุปสีเวหาติเห็นผู้มีปคดิตการณาเห็นจิตในจิตอยู่อาตาพิสัมปะชาโนสติมาให้ความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ วิน oh ัยโลเคอวิชาโทอนาสะม์ท oh ั้งความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้ฮาเมสุธามานุภาษีเวหาราทีเป็นผู้บีปกติพิการนาเห็นธรมในทางข้างหลาง อาตาปีสัมปาชาโญสติมามีความเพียรเครื่องเผาปากมีความรู้สึกตัวร่วพร้อมมีสติวินัยโลเคอวิชาโทมาซังนาำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ อายัคขติภิกขเวสัมมาสตินี่เรียกว่าระลึกชอนินกอดิเวสัมมาสตินีนะดมายังปัจฉิมพุดโธวทฏฐานพงพนาเสั อันตาตานิพกเวหามันต่ยามิโวสุขก่อนเิกษุทั้งหลายแบบนี้ขอขอเตือนท่านทั้งหลายว่าลอยยาธรรมะสังฆาราสังฆารธรรมหรายนิวาสเสื่อมไปเป็นธรรมดาอาปมาเด ท่านทั้งหลายจงทงความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังดาทากะตาสาปชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตาตาคตรเจ้าความสนุก <c oughs>